ตอนที่172อธิบายไม่จบไม่สิน้นมะไม่ใช่ครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเอาเป็นว่าไว้คราวหน้าค่อยว่ากันนะครับเรื่องนี้เขาเลยเลิกไปจริงๆเสี้ยเหล่าหัวเราะเบาๆเธอมีน้ําใจแบบนี้ก็พอแล้วแต่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็รับไม่ได้หรอกเธอตั้งใจดูแลพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลเธออีกสองวันพวกเราจะมาใหม่ได้เลยครับชายคนนั้นค้อมตัวนอบน้อมส่งพวกเขาเดินจากไปหลีหว่านสัมผัสได้ถึงความเชื่อมั่นในคําที่ว่าอาจารย์เก่งย่อมมีสิทธิ์เยี่ยม อีกครั้งหากเธอไม่ใช่ลูกศิษย์ของเซียเหล่าเกรงว่าเคสคนแค่แบบนี้คงไม่มีทางตกมาถึงมือเธอแน่เป็นไงเป็นหมอนี่ก็ทําเงินได้ดีเหมือนกันใช่ไหมล่ะเซียเหล่าเลิกคิ้วขึ้นพางเอายา่ยย้าความจริงตอนนี้มีคนไม่น้อยที่รู้สึกว่าเรียนหมอมันเหนื่อยเกินไปยอมเลือกอาชีพอื่นที่ทําเงินได้มากกว่าแต่บอกตามตรงนั้นเป็นหมอนี่แหละที่หาเงินได้เยอะที่สุดโดยเฉพาะเมื่อสามารถกลมความเป็นความตายของคนไว้ในมือได้โรงพยาบาลมีกฎระเบียบอยู่นะคะ หมอคนไหนก็ห้ามฝ่าฝืนกฎเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอนาคตอาจจะพังทลายได้ตอนนี้โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็หลับตาข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งทั้งนั้นและแต่ที่ฉันบอกว่าโรงพยาบาลมีกฎนะ้ำมันคือกฎของฉันเองลูกศิษย์ที่ฉันสอนมาทุกคนห้ามรับเงินสินบนจากคนเท็จเป็นการส่วนตัวเด็ดขาดเสียเหล่าเ อ, อ๋ยซึ่งการกระทําของหลีหวานเมื่อครู่ทําให้เขาพอใจมากหลีหวานเอาเถอะวันนี้เธอก็เหนื่อยมาม า, มากแล้วฉันให้เธอพักผ่อนสักสองวันเสียเหล่าเอื้อมือมาตบไหล่เธอถึงตอนนั้นพวกเราค่อยมาที่นี่กันเลย ไม่เหนื่อยค่ะก่อนจะทะลุมิติมาจํานวนคนเทที่หลีหวันรับตรวจในแต่ละวันสูงถึงหลายร้อยคนเวลาพักผ่อนต่อวันมีเพียงสี่หชั่วโมงเธอยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลยยิ่งตอนนี้เธอยังอายุน้อยอยู่ด้วยแต่ฉันเหนื่อยแล้วเสี้ยเหล่าเอ๋อยอย่างจนใจเธอก็ดูสิฉันอายุขนาดนี้แล้วเมื่อกี้แค่ยืนในห้องพักผู้ป่วยประมาณชั่วโมงเดียวขาฉันก็เริ่มสั่นพับๆแล้วเนี่ยต้องรีบปรับไปพักผ่อนหน่อยไม่อย่างนั้นคงลุกจากเตียงไม่ได้ไปหลายวานันอาจารย์คะหรือว่าคราวหน้าหนูาหนมาเองดีไหม ยังไงก็ฝังเข็มตามจุดชีพจรเดิมเหมือนครั้งนี้อยู่แล้วหลีหวานยื่นมือไปประคองแขนเสี่ยเหล่าทั้งสองเดินไปอย่างช้าช้าหนูทำเองได้คะ่ะตกลงจำไว้ว่าหลังจากฝังเข็มเสร็จแล้วให้เขาไปตรวจ c ี s ีสแกนอีกรอบดูว่าอาการฟื้นตัวเป็นอย่างไรบ้างเสี่ยเหล่ากำชับแล้วอย่าลืมกลับมาบอกฉันด้วยละ่ะหลีหวนานค่ะได้เลยคะ่ะ เวลาสองวันผ่านไปในพริปตาหลี่หวานมาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าตรู่เพียงแต่ในห้องพักผู้ป่วยวันนี้ไม่มีคนอยู่เลยเธอเข้าไปตรวจดูอาการฟื้นตัวของคนเท็ก่อนและขณะที่กำลังจะหยิบเข็มเงินออกมาฝังเข็มนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงตะหวาดด้วยความสงสัยดังมาจากด้านหลังเธอเป็นใครเข้ามาทำอะไรในห้องพักผู้ป่วยของคุณปู่ฉันเสียงนี้มันหลี่หวานฟังแล้วรู้สึกคุ้นหูอย่างบอกไม่ถูกพอหันไปมองก็พบว่าเป็นคนรู้จักจริงๆด้วยเซียวเมียวอวินเมื่อกี้หล่อนเรียกคนเทว่าคุณปู่เหรอ งั้นคนที่เจอคราวก่อนก็คือพ่อของหล่อนซินามิน่าละถึงรู้สึกว่าหน้าตาคุ้นๆลูกสาวหน้าเหมือนพ่อนี่เองยังไม่ชัดเจนอีกเหรอฉันก็กําลังรักษาโรคน่ะสิหลีวันเอ่ยเสียงเรียบตอนฉันฝังเข้มไม่ชอบให้ใครมาจ้องมองเธอออกไปก่อนเธอเธอรักษาโรคให้คุณปู่ฉันเนี่ยนะฉันรู้แล้วเธอไม่ได้จะรักษาโรคหรอกเธอคิดจะแก้แค้นฉันมากกว่าเซียมิวอวินสมองลั่นเร็วปรึกสงสัยว่าหลีวันมีเจตนาร้ายหลีวันกรอกตาด้วยความระอาใจ ฉันไม่รู้ได้ซ้ําว่าเขาเป็นคุณปู่ของเธอแล้วฉันจะทําร้ายเขาไปทําไมพอเธอไม่ได้บอกหรือว่าฉันเป็นหมอเจ้าของไข้ของคุณปู่เธอเมื่อสองวันก่อนก็ฝังเข็มไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองถ้าเธอไม่เชื่อก็ติดต่อพ่อเธอดูสิลิวานมองหล่อนแล้วคิดว่าหล่อนคงเป็นโรคระแวงว่าคนจะมาทําร้ายเสียมิวอลวิงไม่เชื่อหล่อนไม่เชื่อว่าโลกนี้จะมีเรื่องบังเอิญขนาดนี้หลิวานจะเป็นหมอเจ้าของไข้ของคุณปู่หล่อนได้ยังไงอายุแค่นี้จะไปมีความรู้วิชาแพทย์อะไร คงจะเป็นพวกสิบแปดมงกุฎมากกว่าพ่อฉันไม่ใช่คนที่เธอคิดจะเจอก็เจอได้นะธุรกิจที่เขาคุยกันนะ่ะทำเงินนาทีละหลายหมื่นเชียวเซียมียออวิ๋นรู้สึกภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกหล่อนกอดอ ก, อกพลางมองหลี่วันอย่างผู้ชนะวันนี้ฉันเป็นคนมาดูแลคุณปู่ที่โรงพยาบาลพ่อบอกฉันว่าคนที่รักษาคุณปู่เป็นศาสตราจารย์อวุโสไม่มีทางเป็นเธอเด็ดขาดศาสตราจารย์อวุโสที่พ่อเธอพูดถึงนะั่คืออาจารย์ของฉันวันนี้อาจารย์ขาแค่ไม่ค่อยดีเลยไม่ได้มาครั้งก่อนฉันก็เป็นคนฝังเข็มเองทั้งหมด ลิวันขมวดคิ้วเดิมทีคิดว่าฝังเข็มเสร็จวันนี้จะได้กลับเลยไม่คิดว่าจะต้องมาเสียเวลาอธิบายยืดยาวเสียเมิวอวิ๋นยังคงไม่เชื่อเธอมีหลักฐานอะไรฉันไม่มีหลักฐานอะไรทั้งนั้นแหละหลิวันยักไหล่ ย, ยังไม่ใส่ใจถ้าเธอสงสัยในตัวฉันงั้นฉันก็จะไม่ฝังเข็มให้คุณปู่เธอแล้วเดี๋ยวพอพ่อเธอถามมาเธอก็ไปบอกเขาเองแล้วกันแต่ฉันขอเตือนไว้ในอาการของคุณปู่เธอตอนนี้ต้องได้รับการฝังเข็มอย่างถูกต้องสม่ำเสมอถึงจะมีโอกาสฟื้นตัวถ้าวันนี้ฉันไปพรุ่งนี้มาฝังเข็มมันจะสายเกินไป พูดจบหลีหวานก็ทำถ้าจะเดินจากไปแต่เซียวเมี่ยวอวินยังไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยเธอไปง่ายๆอย่าเพิ่งไปเธอยังล้างบนทินให้ตัวเองไม่ได้เลยฉันสงสัยอย่างรุนแรงว่าเมื่อกี้เธอคิดจะแก้แค้นฉันด้วยการทำร้ายชีวิตคุณปู่ฉันจะแจ้งตำรวจฉันจะให้เขามาจับเธอเข้าคุกหลีหวานหล่อนนี่สมองไม่ค่อยดีจริงๆอธิบายชัดเจนขนาดนี้แล้วยังไม่เชื่อ อ, อีกก็ได้คุณหนูเสียวถ้าไม่ไหวจริงๆเธอก็โทรหาพ่อเธอเถอะอย่ามาทำให้ฉันเสียวเวลายอยู่ที่นี่เลย ฉันก็บอกไปแล้วไงว่าพ่อฉันยุ่งมากแม้แต่เวลาจะรับโทรศัพท์ยังไม่มีเลยนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้งานเธอก็ไปหาเจ้าหน้าที่พยาบาลคนไหนก็ได้มาถามดูให้พวกเขาช่วยยืนยันตัวตนของฉันใครจะไปรู้ว่าเธอเตรียมกับพวกเขาไว้หรือเปล่าเสีย่ยวเหมี่ยวอวิ๋นแค้นเสียงหึหลี่หวานคราวนี้เธอตกอยู่ในมือฉันถือว่าเธอจบสิ้นแล้วหลีหวาน เซียมียวอวิ๋นสั่งให้บดิกาดไปแจ้งความทันทีสถานีตำรวจอยู่ใกล้ๆนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรุดมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบสถานการณ์อย่างรวดเร็วตามกฎระเบียบแล้วพวกเขาต้องคุมตัวคนไปสอบปากคำเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่มาในครั้งนี้คือคนคุ้นเคยเสียวหวาน หนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นคืออดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของพ่อเธอดูเหมือนว่าเพิ่งจะย้ายจากตำแหน่งทหารองค์รักษ์มาทำงานที่สถานีตำรวจเมื่อปีก่อนเขาจำหลีหวันได้ทันทีลุงจี้หลีหวานยิ้มอย่างจนใจวันนี้ต้องขอโทษ ด, ด้วยนะคะที่ทำให้ลำบากจะมาเกรงใจอะไรกับลุงเธอเจอเรื่องเดือดร้อนเข้าแล้วสิพอดีเลยลุงช่วยแก้ปัญหาให้ได้เจ้าหน้าที่จี้เอ๋อพลางหันไปมองเซียวเหมียวอวินเมื่อกี้คุณเป็นคนให้คนไปแจ้งความเหรออะ พวกคุณสองคนรู้จักกันเหรอเซียร์มิวอวินแปลกใจหลี่หวันคนนี้มีเส้นสายกว้างขวางดีจริงๆหลี่หวันเป็นหมอผมยืนยันได้ว่าสิ่งที่เธอพูดเมื่อกี้เป็นความจริงทั้งหมดส่วนสิ่งที่คุณพูดมานะ่ะไม่มีมูลความจริงเลยคุณรู้ไหมว่าการแจ้งความเท็จมันผิด ก, กฎหมายนะคุณเซียรปกติพวกผมก็งานยุ่งมากอยู่แล้วอย่ามาเพิ่มภาระให้พวกผมเลยคุณจะมายืนยันได้ยังไงพวกคุณสองคนรู้จักกันคำพูดของคุณเชื่อถือไม่ได้หรอก ตอนนี้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรเซียวเมียว อ, อวินก็ไม่ฟังทั้งนั้นหล่อนยืนกรานจะแจ้งความว่าหลี่หวานพยายามแก้แค้นจนกระทั่งพ่อสกุลเซียวเดินทางมาถึงโรงพยาบาล